เมื่อเช้าฟ้าหญิงจะมากราบเยี่ยมองหลวงตานลูกหลานทุกคนรอรับเสด็จเออให้ทุกคนรอรับเสด็จก่อนก็ดีนะทไมรีบไม่เร่งนะอีกไม่นานฟ้าหญิงจงจเสด็จมากราบเยี่ยมองคหลวงตาเนี่ยขอลูกหลานทุกคนนรอรับเสด็จวันนี้แล้วก็ทีนี้มาพูดเกี่ยวกับองค์หลวงตานี่ยองหลวงตาของพวกเราเออ ก, กรรมกร เมื่อก่อนท่นานก็ออกออกมานั่งรถก๊อบมาชมสถานที่ต่างๆเข้ามาในวัดเข้าไปดูกุฏิของท่านแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็เข้ามาข้างในแต่เมื่อวานนี่ท่านไม่ได้ออกไปไหนเมื่อวานนี่ท่านพักแล้วก็อากาศก็รู้สึกว่าเย็นผิดปกติตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นธาตุขันของโรงตาถ้าถ้าพูด <c oughs> ถ้าพูดตามที่หลวงตาหลวงพ่อได้เห็นนะหลวงตารู้สึกว่าอาการหนักอยู่เมื่อคืนเนี่เมื่อวานเนี่มาเมื่อวานมาถึงเมื่อคืนนี่ยแะอากาอาการของหลวงตารู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยอ อ, อกแลักษณะปอดติดเชือ้อลักษณะอย่างนั้นนะ่ะให้เขาท่านพีไแล้วก็มีเสเลดแล้วก็หมอทั้งหลายก็พยายามใช้ยาพวกระ ง, งับเชื้อเนี่ยนะ เ, เชื้อในปอด พอสมควรเมื่อคืนนี้เพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าน ะ, อ, ะองหลวงตาของเราเนี่รู้สึกว่าทั้งทรงทรงุดๆดบางทีก็ฟื้นขึ้นมาบางทีก็อยู่ทรงตัวบางทีก็ุดลงไปนี่แหละคือธาตุขันขององหลวงตาที่ที่หลวงพ่อได้ รู้ได้เห็นแต่ส่วนการรักษาทางแพทย์นั้นทางแพทย์ก็พยายามเต็มที่ทั้งิิทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรทั้งขอนแก่นวันนี้ทราบว่าคณะแพทย์จากสิริราชนะกลุ่มใหญ่นะกลุ่มใหญ่จะขึ้นมาวันนี้จะมีการประชุมกันจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อจะได้ วางการรักษาในองค์หลวงตาของพวกเราให้เป็นระบบแต่ตะกอนก็เป็นระบบอยู่แล้วแหละแต่นี่ก็คงจะให้ระบบเข้มงวดกวดขันขึ้นคือทุกหมู่ทุกเหล่าหมอท่านไหนศาสตราจารย์หมอท่านใดที่มีหน้าที่อะไรก็ก็จะมอบมอบหมายมอบหน้าที่ให้ดูแลขององค์หลวงตาให้ให้ดีที่สุดแต่ในสายตาของหลวงพ่อเองหลวงพ่อมองดูแล้ว ในการดูแลรักษาองค์หลวงตาเนี่ยเรื่องหมอก็ดีเรื่องยาก็ดีหลวงพ่อไม่ได้ตำหนิแปลว่าเหลือเฟือฟุ่งเฟือยแล้วก็พร้อมกันทุกหม อ, อทั้งพยาบาลทั้งลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวที่จะดูแลองค์องค์หลวงตา รักษาให้หายจากโรคาพญาติแล้วก็พร้อมกันกับอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อเองเดินทางมาหน้าวัดทีไหรหลวงพ่ออดขอบใจไม่ได้คือคุณทนันชัยเท่าแก่กุกหงเราเนี่ยมาตั้งโรงทานไว้สำหรับเลี้ยงลูกหลานญาติพี่น้องเลี้ยงแขกไปไทยมาที่หิวโหยหิวอาหารก็ได้แวะเวียนเข้าไปทานอาหารด้วยน้าจิตน้าใจ หลวงพ่อเองก็ขอขอบคุณและข อ, อนมโธนากับโยมเท่าแก่สีไทยใหม่นะเนี่ในคราวนี้ชาตินี้ท่านก็รวยแ ล, ยล้วล่ะเป็นเท่าแก่สีไทยใหม่รวยทั้งเงินรวยทั้งน้ําใจพบหน้าชาติหน้าตาหากว่าเท่าแก่ยังมีพบมีชาติอยู่ขอให้รวยๆกว่านี้นะเด้อเออพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเออทาให้ครูบายจารย์เบา อ, อกเบาใจนะเพราะแขกมาไทยมาเนี่ยเห็นไหม บางทีเราไปชุมกันตอนเย็นๆเออเรามีอาหารไหมออก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพเราไปทานอาหารที่สีไทยใหม่ก่อนนะเนี่ยนี่แหละค่ายๆก็มีโรงทานมันก็ดีแหมค่ายๆว่าต่างคนต่างคิดช่วยกันนะ่ะ อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านถายรักเคารพในองค์หลวงตามีอะไรเกิดขึ้นใ ห, ให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกัน ได้สองน้องได้หนึ่งมีอะไรปรึกษาปราัรบกันคนหนึ่งก็เห็นเออผู้ที่จะเข้ามากราบลงตาไม่มีผ้าปิดปากเนี่ยเห็นเออใส่ปากเอาผู้ใดก็ซื้อมาถวายเออลงตาเวลาท่านนอนท่านพักแล้วบางทีอาจจะได้เปลี่ยนที่หลับที่นอนอาจจะมีผ้าอะไรผ้าปิดปากเนี่ยมาถวายองค์ลงตาเนี่ยคือต่างคนก็ต่างคิดเพราะโลกสิทธิ์หลายคู่หลายคนต่างคนก็ต่างให้ความรัก เขารบในองค์หลวงตาบางคนก็เออพี่น้องมามากควรจะมีโรงทานมาเลี้ยงพี่น้องพังเพื่อมาให้นักกกนักใจทางวัดนะอย่างนี้เป็นตนนะ้นเนี่ลูกศิษย์หลายคนถ้ามีน้ําใจด้วยกันแล้วหลวงพ่อว่ามีแต่ความสงบพร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าพวกผู้ใดก็ตามมีแต่โมโหโกธาอิฉาตาเหลือกันมีแต่โมโหโกรธให้กันและกันอ น, นันไม่ดี หลวงตาไม่เคยสอนอย่างนั้นหลวงตาสอนมีได้ให้มองกันในแง่เหตุผลมองกันในแง่สิทธิ์แง่ธรรมเพราะต่างคนต่างเกิดมาด้วยกรรมของใครของเรากรรมลิขิตกรรมเป็นผู้ลิขิตให้พวกเรามาเกิดมาเกิดขึ้นมาแล้วก็เ น, นี่ยให้เป็นนางนั้นนายนี้อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็กรรมลิขิตให้ใหลวงพ่ออินมาเกิดเกิดมาแล้วเออหลวงพ่ออินต้องบวชแต่แต่เป็นเนนนะหลวงพ่อกระบวชตั้งแต่เป็นเนนนี่ หลวงพ่อก็ใช้กรรมของหลวงพ่อเหมือนกันไม่ได้ใช้กรรมของคนอื่นเพราะต่างคนก็ต่างใช้บุญใช้กรรมของตอนเองเพราะนั้นพวกเราขอให้ขอให้สร้างบุญสร้างกุศลในหลักของพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพวกเราถึงจะทำดีขนาดไหนรับผิดชอบดีขนาดไหนทําดีทุกอย่างขนาดไหนอีกสักวันหนึ่ง พวกเราก็จะต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะรักขนาดไหนจะเกลียดขนาดไหนจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพเจ้าก็จะต้องตายจะต้องหนีจากเขาเอออันนี้ให้คิดไว้ในใจอันนี้คือภาษาใจนะภาษาใจของเราให้เราคิดไวอย่างนี้ถ้าเราคิดไว้อย่างนี้นะอุณหคุณหภูมในจิตใจของเรานะถึงมันจะโกรธให้แกใครถึงมันจะรักใครมันก็ไม่เกินไป เพราะเราจะได้หนีจากกันอยู่แล้วอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคิดคิดไว้ในใจเสมอนะให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางในจิตในใจนี่แหละหลวงพ่อบอกว่าพวกเราบางคนบอจะไปปล่อยได้ยังไงหลวงพ่ออินเน่ยใช่หลวงพ่ออินไม่มีครอบมีครัวมีแต่วัดหลวงพ่ออิก็ปล่อยวางได้เลยสิเออพวกเราเน่ยสิมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้ามีสมบัติพัฒสถานมียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวาร ห้างร้านแล้วจะไปปล่อยวางได้ยังไงฮใช่เราก็ปล่อยวางไม่ได้อย่างหลวงพ่ออิฐนี่หนีจากวัดมาเกือบสองเดือนมาอยู่มาดูแลเฝ้าหลวงตามากับหมู่กับพวกพี่ พ, พี่พาน้องทั้งหลายช่วยกันคนละไม้คนละมือจะช่วยหลวงองหลวงตาเราได้ยังไงในฐานะที่หลวงตาเป็นพ่อของเราเป็นปู่ของเราเป็นที่รักเคารพของเราเป็นบุพการีธรรมะ ที่ส่ที่ให้ธรรมะแก่พวกเราเราควรจะทําตนอย่างไรหลวงพ่อก็เลยมาช่วยๆกับพี่ๆน้องๆทุกคนทุกองคลใครๆกับปรึกษากันพี่ไดสองน้องใดหนึ่งอย่างที่ว่าเราจะจัดการยังไงเราจะทํำยังไงปฏิบัติยังไงกับองค์หลวงตากับพ่อของเรานะพ่อของพวกเราเนี่ยอันนี้หลวงพ่อก็ต้องรับผิดชอบในวัดของหลวงพ่อไม่ใช่ว่าไม่ห่วงหลวงพ่อก็ห่วงกันเออลูกท้องของเราอยู่ยังไงกินยังไง อย่างไงวัดของเราหลวงพ่อก็เป็นห่วงแต่ถึงอย่างหลวงพ่อจะเป็นห่วงขนาดไหนก็เถอะเวลาหลวงพ่อนั่งภาวนาเนี่นั่งกัดสมาธิและกําหนดใจหลวงพ่ออินเอ้ยถึงหลวงพ่ออินจะรับผิดชอบดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดหลวงพ่ออินเอาไปด้วยไม่ได้ขนาดกระดูกลุงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ยังทิ้งนะเพราะฉะนั้นต้องทําห้องทําใจเอาไว้นะหลวงพ่ออินนะ เอออย่าไปรักอย่าไปโกรธอย่าไปโลภไปหลงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจนเกินไปนะหลวงพ่ออินนะอันนี้ก็คือหลวงพ่ออินสอนหลวงพ่ออินเมื่อกี้ให้ข้าวศรสอนตนเองเออถึงจะรักจะเกลียดพอใจไม่พอใจขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องหนีจากเขาฮะนี่แหละถ้าพวกเราทําใจได้อย่างนี้อุณหภูมินะอุณหภูมิในใจของเราจะรักจะโกรธใครโมโหโก้ตาให้แก่ใครเนะี่ยนันก็โกรธให้งโง่ไปอย่างนั้นแหะ ไม่ใช่โกรธเพื่อความฉลาดไม่รักไม่รักเพื่อความฉลาดถ้าทำตาใจให้เป็นกลางแล้วเขาเร า, เามาเกิดเพราะกรรมเล็กขิตที่เขารวยรวยชาตินี้เพราะ อ, อนกสงในชาติก่อนเขายินดีในการทำบุญทำทานเขาอาจจะได้ทานกับพระปเจกพรกพุทธเจ้าได้ทานกับพระอระหรันสาวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลา ย, ยพอมาเห็นลงตาเกิดจดทธาเนี่ยถวายองหลงตาได้ทาบุญกับพระอระหันเนี่ย เกิดภพหน้าชาดหน้าพวกเราก็จะรวยอีกแต่ผูดด้ใดไม่เห็นเออลงตาบัวไปอย่างนั้นละไม่เห็นไม่หน้านักถือเริ่มใสเ่ยนะเกิดเขาเกิดชาดหน้าเขาก็ต้องเป็นคนจนเพราะเหตุอะไรเพราะเขาไม่ได้ทําบุญนะอันนี้เห็นพระพุทธเจ้าใครว่าพระพุทธเจ้าเนี่เลิ่ประเสริฐที่ไหนเดินดินฉวยพักยาหารกินข้าวเหมือนกับพวกเราเนี่แหละไม่เห็นจะประเสริฐที่ตรงไหนเขาเห็นแต่ร่างกายแต่เขาไม่ได้เห็นใจของพระพุทธเจ้านะ ใจของพวกพรทัเจ้าเป็นยังไงเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้ค้นคว้าศึกษาเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ไม่รูนะ้เขามองแต่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละพวกเราได้มาพบมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาเจอองค์หลวงตาขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้สั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราท่านทั้งหลายหลายคู่หลายคนหลายแนวความคิด คนหนึ่งคิดอย่างนึงคนหนึ่งพูดอย่างนึงคนนึ่งทำอย่างหนึง่งแต่ว่าพวกพวกเราที่เป็ น, ปนหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายเขาหรือว่าที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เขาหรือว่าเป็นพี่เขาหรือว่าเป็นผู้ปกครองเขา เ, เราก็ต้องดูว่าเออคนนี้ฉลาดขนาดไหนคนนี้โง่ขนาดไหนคนนี้จะทําอันไหนได้นะถ้าผู้มีปัญญาก็ต้องรู้จักใช้คนนะ ถ้าไม่รู้จักใช่คนเนี่ยใช้คนผิดที่ผิดทางเนี่ยจิบหายเหมือนกันนะไปใช้คนคนขยันแต่โง่แต่โง่แต่ขยันทํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจิบหายยิ่งเสียหายมากเท่าไหรเพราะโง่และขยันแต่ถ้าว่าโง่ถ้าว่าฉลาดรอบครอบและใช้เขาเนี่ยอันนั้นงานจะไปได้ดีแต่บางคนก็ว่าขยันฉลาดก็จริงอยู่แต่ขี้เกียจ อันนั้นก็ไม่น่าใช้อีกเหมือนกันนะเสียของอีกเหมือนกัน อ, อ, อย่างที่ในครั้งพุทธกาลหลวงพ่อจะพูดเป็นชาดกให้ฟังนะที่นี่นะพระพุทธเจ้าของเราเท่านเสด็จอยู่ที่กรุงราชสักยสมัยนั้นนะประทับอยู่ที่กรุงราชสักยึ่อยากนั้นมีนายอุทยานอุทยานนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ไปฉันที่ที่อุทยานของเขา พระพองก็ไปฉันพอฉันเสร็จแล้วก็แสดงธรรมเสร็จแล้วอนุโมทนาให้พรพระสงฆ์บางกลุ่มเอยอยากจะไปดูอุทยานเขาปลูกไม้ยังไงต้นไม้มันมีอะไรบ้างทีนี้พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็เลยเดินเดินไปกับนายอุทยานลูกน้องนายอุทยานนะเอ๊นายอุทยานให้ลูกน้องนายอุทยานกับพาเดินเดินไปก็เห็นไปป่าไอ้ป่าป่าไม้ที่ปลูกใหม่ประมาณสักศอกก ว, ว่าเนว่งั้นเถะ ประมาณ50เซนบ้างประมาณเมตรหนึ่งบ้างเนี่ยต้นไม้เอ่อบางต้นกับตายเป็นเป็นหย่อมเป็นเอ่อบนเป็นสวนไปเพราะงั้นเถอะเอ่บางต้นกับงอกงามแต่บางต้นกับตายเป็นสวนไปทีนี้พระสงฆ์ก็เลยถามว่าทำไมไม่ปลูกต้นไม้แถบนี่ทําไมมันห่างกระยมกระยาไปอย่างนี้นายอุทยานลูกน้องนายอุทยานบอกว่าเมื่อเดือนอพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ย เ, เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเดือนสิบสอเพนที่ผ่านมาเนี่ยนายอุทยานนายอุทยานให้ลิงรักษาสวนเหมืนอนกันนายอุทยานให้ลิงรักษาสวนลิงก็เลยถอนตน้นต้นไม้เสียตายเกือบหมดว่างัน้นพระสงฆ์ทัานนี้ก็เลยสงสัยนะเลยมันเรื่องอะไรทําไมทําไมลิงจึงถอนออนายลูกน้องนายอุทยานก็เลยบอกว่าวันเดือน12เพนวันนักษัตร เป็นวันเดือน12บสองเพนสมัยในประเทศอินเดียเขาเดือนสิบสองเพนเขาไม่มีไฟฟ้าอย่างทุกวันนี้นะเขาต้องอาศัยแสงเดือนออสองแสงสองสว่างและทีนี้พอเดือน12บสองเพ น, นเขาจะมีการลันเลิงการลั่นเล่นกันเหมือนกับทุกวันนี้แหละมีหมอร้องหมอรำร้องรำทําเพลงมั่นงานปีใหม่นะลักษณะนั้ น, นคือฉลองงานปีใหม่ของของยุคสมัยนั้นทีนี้ใครๆก็อยากจะไปทีนี้ อยากจะไปเที่ยวงานวันวันลอยกระทงวันเดือน12เพนนะ์เนี่จะให้ใครอยู่ใครก็ไม่อยากจะอยู่ลูกน้องนะแต่เมื่อจําเป็นจะต้องลดต้นไม้ถ้าเราไปก็ต้องเจวันเนะพราะเขาหยุดเจ็ดวันนะต้องลดต้นไม้ทุกวันถ้านี่ยเราหนีไป7วันเนะี่ยเราจะเอาอยัางไงนายอุทยานก็เลยมาปรึกษาลูกน้องเนะี่ยใครจะอยู่หวังไม่มีใครอยู่ทีนี้ลูกน้องก็เลยเสนอนายอุทยานว่าเอา้าลิงของเราเนี่ยนะ เราก็พอใช้มันได้อยู่นะลิงอยู่ในสวนของเราเนี่ยในอุทยานของเราเนี่ยลิงใหญ่ลิงอะไรอูรังกุตังหรือะไรเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เราน่าจะใช้มันให้มันลดต้นน้ามันน่าจะได้เอนนั้นเอาเอามาสอนมันด้สยินายอุทยานก็เลยจับหัวหน้ามันมนัอให้หัวหน้ามันเพราเลี้ยงเลี้ยงอาหารมันทุกวันมันคุ้นเชื่องเนี่ยมันไม่กลัวใครแล้วเมื่อเกือบจะเป็นคนอยู่แล้วว่างั้นก็เลยบอกให้หัวหน้ามันเฮ้ยหัวหน้า แกต้องในช่วงนี้พวกพนักงาน ร, ร่วมกับเราด้วยเราจะไม่อยู่นะ เ, เราจะไปเที่ยวนักกษัตริย์เดือนสิบสอเพนให้แกดูแลสวนกับลูกน้องนะลูกน้องของแกนะแล้วก็ให้ลดน้ําต้นไม้แทนเราได้ไหมไออูรังกูตามกับบุมบับผมบุ๋มบั บ, บ, บ, บ, บ, บเพื่อนได้ได้ไ ด, ได้หัวหน้าเพื่นอนวิธีการลดน้ำเนี่ยทําอย่างนี้นะอสอน ก็ไปก็ตักน้ําใส่ตุ่มเอาไว้แล้วก็มีขันมีขันแล้วก็ตักเทใส่ต้นไม้ตอนนั้นตอนนั้นทําได้นะมันก็ทําปากมุมบุมุมบุมมบกอย่าเงี้อเถอะมันว่าทําได้เอาทําให้ดูซิลิงมันก็ทําให้ดูเออใช้ได้ใช้ได้ต่อไปต้องทําอย่างนี้นะเออจนกว่าเราจะมาเออหัวหน้าสั่งลิงเรียบร้อยแล้วก็เอาไปได้พวกเราให้ลิงรักษาต้นไม้แต่นี่พ่อลิงรักษาต้นไม้ที่นี่ พอรถวันแรกมันกันคงจะเหนื่อยเหมือนกันมั้งแมันคงจะเหนื่อยทีนี้มันก็บอกลูกน้องมันวันนี้ยสั่งลูกน้องมันมาเฮ้ยพวกสูเจ้านะเป็นรถต้นไม้นะมันอาจจะไม่ถึงรากมันก็ได้นะเพราะต้นไม้เห็นไหมต้นสูงก็มีต้นต่ําก็มีต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีทางที่ดีเนี่ยชูเจ้าต้องถอนขึ้นมาเะก่อนเถอนขึ้นมาเะก่อนแล้วก็ดูรากมันยาวขนาดไหนแล้วจึงค่อยลดน้ําใส่รากมันค่อยยัดลงไปในดินอีก สูเจ้าต้องทำนะถ้าหากว่าสูเจ้าลดลงไปมันลากยาวลากสั้นเนะี่ยก็ทําให้ต้นไม้ตายเน่ได้เพราะนั้นสูเจ้าต้องลักต้องต้องลดอย่างนี้นะต้นไม้นะหัวหน้าลิงสั่งเหมือนกนเลอยากนั้นมาลูกน้องลิงก่อก่อนจะลดต้นไม้ต้นไหนก็ถอนลากขึ้นมาซะก่อนใช่ไหมเอ่อทนมากระเทน้ําใส่แล้วก็ยัดลงไปมันก็เหมือนกับลิงยัดเนะี่ยใช่ไหมพอในสุดนายอุทยาน ไปเที่ยวเจ็ดวันพอกลับมาท่านก็นเกือบเป็นลมว่ากันเถอะพอต้นไม้ตายมดเออพอลิงลิงถอนต้นไม้ซะ ก, ก่อนยังค่อยลดว่ากันเถอะเออท่านี้ท้อท้อท้อท้อทอทตายเออท่นี้ก็เลยคนคนหนึ่งก็เลยฐานบัณฑิตอําบัณฑิตคนหนึ่งก็เลยเดินผ่านมามาเห็นนายอุทยานหน้าซอยหงอยเหงากับบริวารว่ากันน่ะเลยถามว่าเอ๊ะทำไม ทําไมเป็นงั้นเป็นไรล่ะทําไมถึงไม่สบายใจโอ้ตายต า, ยต า, ยตายให้เรียงรักษาป่าอแล้วก็กลับมาต้นไม้ตายหมดก็เลยดูดูแล้วมันต้องมันต้องถอนขึ้นมาซะ ก, ก่อนมันยังลดน้ํามันเพื่อจะให้ถึงรากมันเนี่นายบัณฑิตคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยนะการจะใช้ใครก็ตามต้องมองดูให้รอบคอบถ้าหาว่าเราผู้เป็นหัวหน้าใช้ลูกน้องโดยไม่รอบคอบ มันก็เหมือนเราใช้ลิงลดรักษาป่านี่แหละถ้าเราต้องดูซะก่อนลูกน้องคนนี้มีความสามารถขนาดไหนทาได้ดีขนาดไหนเราจึงค่อยใช้เขาถ้าเราใช้แบบแคิดว่าเขาจะทำได้แล้วก็ทำผลสะท้อนย้อนกลับมาหาหาเราก็อย่างที่คุณใช้ลิงรักษาต้นไม้นี่แหละทุกใจขนาดไหนทีนี้ กว่าที่จะปลูกได้อีกมาเป็นปีสองปีต้นไม้จึงจะใหญ่ขนาดนี้ น, ะนั่นแหละนิทานเรื่องนี้จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะท่านพอเห็นในในชาตินี้พระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าวา่าวันนี้ข้าข้าพระ อ, องค์พวกข้าพระ อ, องค์ได้ไปเดินสมสวนกับนายอุทยานนายอุทยานบอกเราให้ฟังว่าลีงรักษาสวนถอนต้นไม้ แล้วยังคอยเอาอน้ำลดไปเจ้าขานเพราะพุทธองค์ก็เลยบอกว่าในอดีตชาติลียงพวกนี้กับนายอุทยานเคยทากับกันมาแล้วอย่างนี้แหละมาชาตินี้ก็มาพบมาเจอกันอีกเนี่ยนี่แหละพวกท่านทั้งหลายการที่จะใช้บุคคลได้ก็ตามใครก็ตามจะทำอะไรก็ตามต้องรอบคอบต้องใช้ปัญญาต้องอ่านคนให้ออกว่าคนนี้มีปัญญามากน้อยแค่ไหนบางคนก็มีแต่ดันทุลังอย่างเดียวนะ ไม่ยอมฟังใคร เ, ยเลยอย่างนั้นก็น่ากลัวอีกเหมือนกันแต่บางคนก็ยอมพรับด้วยความเฉลียวฉลาดล อ, ลองยอมรับรู้จักสูงรู้จักจัดต่ำํำรู้จักใกล้รู้จักไกลรู้จักสิ่งควรไม่ควรอย่างไรขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้รู้จักดูรู้จักการวางตัวรู้จักความรอบครอบนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนภาษาพวกในครั้งพุทธกาล นี่ยคือการจะใช้คนใช้ลูกน้องบริวารต้องดูเขาซะก่อนเขามีความมีขีดความสามารถขนาดไหนเนี่ยที่เราจะใช้เขาถ้าเกินความสามารถของเขาเขาก็ทําไม่ได้ก็ทําให้เสียหายอีกเหมือนกันฮะนัะ่นแหละนิทานเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าสาธกขึ้นมาสอนพวกเราท่านทั้งหลายมันจะสอนใครนะสอนพวกเราเพราะพวกเราในะอยู่ในโลกกันเนี่ยเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็น ลูกเป็นหลานมีบริวารบริษัทบริวารอยู่ในสถานะของแต่ละคนแต่ถึงยังไงถ้าเราพวกเราอยู่ด้วยกันรู้จกักมองกันในแง่เหตุแง่ผลอย่าไปมองกันในแง่ร้ายรักกันเอาไว้เมตตากันเอาไว้รู้จักนิ้วโป้งมีหน้าที่อะไรนิ้วซีมีมีหน้าทีอาท่อะไรนิ้วกลางมีหน้าที่อะไรนิ้วนางนิ้วก้อยมันมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักใช้นะ ท่าว่าโอ้ยนิ้วโป้งมันใหญ่มันสั้นไม่ได้ใช้เลยตัดมันทิ้งซะเนี่ยก็มีอยู่4ีนิ้วคิดว่านิ้วไหนไม่มีประโยชน์ก็ตัดมันทิ้งเะี่ยมันก็มันไม่ครบไปยิ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์นี้ก็เหมือนกันคนเราเกิดมาไม่มันไม่เสมอภาคกันหรอกคนโง่ก็มีคนฉลาดก็มีคนรอบคอบก็มีคนเราเกิดมากล้ำเล็กขิดให้เกิดมานีใครๆก็อยากจะฉลาดด้วยกันทางนั้นใครใครก็อยากจะรวยด้วยกันทางนั้น ใครๆก็อยากจะมีปัญญาด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่ากรรมคือการกระทําอย่างที่ว่าเนี่ยกรรมคือการกระทํำใครก็อยากจะรวยแต่มามามาเห็นวัดอย่างวัดหลวงตาเนี่ยเออทําบุญเนอะห้องปอดเชื้อเนอะทาบุญกับองค์หลวงตาเนอะเออทำกับไปอย่างงั้นล่ะไม่รู้จะลัวไหลไปยังไงฮะคิดไปอย่างงั้นอีกก็เลยไม่ได้ทํำแต่ผู้ที่ตั้งอกตั้งใจทําก็เป็นบุญเป็นกุศลเออเอาเถอะ เราได้ทำบุญกับลงต า, า, าแล้วลงตารับผู้รับทราบแล้วผ่านมือลงตาไปแล้วลงตาจะทําอะไรเป็นหน้าที่ของลงตาจบแล้วเราทําบุญกับท่านแล้วออท่านท่านจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ใครเป็นหน้าที่ของท่านเราจะไปดูไปแลขนาดไหนละ่ะเ อ, อเราจะไปดูขนาดไหนออไปดูมือดูไม้ลงตาขนาดไหนลงตารับแล้วกัมันก็ผ่านเราแล้ ว, ลว เ, เ, ออเราจะไปดูอะไรอีกเหมือนกับเราทานะเหมือนกับถวายอาหารลงตานะ พอถวายมาเสร็จแล้วลุงตารับแล้วเนี่ยก็เพียงแค่นั้นแหละจะให้ลุงตาฉันทุกคู่ทุกคนโอ้ลุงตาท้องแตกตายเลยเพราะอะไรเพราะอาหารมันเยอะใช่ไหมล่ะนี่ยลุงตาผ่านมือลุงตาไปแล้วลุงตาจะให้ใครก็ได้เอาสุดแท้แต่เพราะผ่านมือลุงตาเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราแล้วนะนี่แหละการทำบุญทําทานนะขอให้พวกลูกพวกหลานคณะศรัทธา ย, ยาดโยมนะอถ้าคิดอย่างหลวงพ่อเนี่ยพวกเราจะสบายใจนะถ้าว่าพวกคิดเอจะทํำยังไง ยังจะให้ลุงตายชันของเราเออจนชั้นจนหมดทุกคนก็ให้ชันจนหมดทํำยังไงฮนะออลุงตาจะอยู่ได้หรอฮะนี่แหละออการทําบุญทําทานขอให้อันนี้ก็เป็นการฝากแนวความคิดให้แกขัขนติธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า เ, ออเพื่อเป็นการออฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะออสุดตมะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง กินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนและก็ภาวานามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบซะก่อนอจึงจะรู้ว่าเหตุผลเป็นยังไง อ, อันในสง์แห่งการฟังธรรมที่หลวงตาเคยยกให้แก่พวกเราได้ฟังผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสฮะ น, นี่แหละอเนกสงแห่งการฟังธรรมเพราะนั้นขอให้พวกคณะจต่าญาโยมทุกหมู่เหล่านะวันนี้พวกเราได้มาทมําบุญเป็นวันนี้เป็นวันที่เก้ามกราคมพุทธศักราช2554ให้พวกเราน้อมจิตอธิษฐานอ่าล้อมจิตน่ะน้อมจิตน้อมใจล้อมให้เป็นหนึ่งเดียวนะ ให้เป็นพรังด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำมาในอดีตที่เป็นกุศลนะจิตที่เป็นกุศลในอดีตทุกอย่างที่ทำเป็นเป็นกุศลนะทุกคนก็เกิดมาก็ต้องมีทั้งบาปอากุศลทั้งเป็นทะั้งทั้งบุญกุศลนะมันก็ต้องทำคู่กันแต่เราไม่เอาบาปอากุศลนะเราเอาเฉพาะส่วนบุญส่วนกุศลนะที่ข้าพเจ้าทามาในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้บุญกุศลมากน้อยขอขอให้เป็นพรังเกื้อกูลหนุนสุขภาพองค์หลวงตาขอให้สุขภาพองค์หลวงตาหายจากโรคาพยาติขอให้เป็นร่มโพ ร, ร่มไทรของลูกหลานนานเท่านานด้วยเทิน